กิจรัสาก็คือสภาพที่พิจารณาอารมห้ามีรูปอารมณ์เป็นต้นอีกในหนึ่งก็คือสภาพที่ทิ้งทิ้งอารมณ์ละกิจรัสะคือทิ้งอารมณ์เก่าทิ้งจริงไหมน่นทิ้งเลยใช่ไหมในขณะที่มีกรร ม, มะอารมณ์กรร ม, มินิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์มานี่นะปัญจทวารลวชนะก็ทิ้งเออถ้าไปดูในชั้นของพระสกท า, าจารย์อ้าวดูใ น, าในากายานุปัสนาสติปัฏฐานนะ ย้อนกลับไปดูไม่ต้องเปิดดูนะเอามาทวนให้ฟังใน ส, สัมปชัญญะบอบเ้าจะบอกผวังวรกันไหมว่าปฏิสนธิเขาไว้ไหมปฏิสนธิผวาสังวรแล้วก็เป็นอาวชนะจักขุญยานสัมปติชนะสันติระนาวเทานาชาวนาตะตาธาลัมนะแล้วก็ลงผวังวรเห็นไ้มทําก็ไว้น่แปลว่าอะไรนะไม่ทําให้เล่นๆนะหมอเนี่ยทำไม่พิจารณาไม่ทำให้วิจัยเลยเนี่ยต้องรู้ขณะเหล่านั้นน่ะ รู้ขนาดเหล่านั้นแต่พึงเข้าใจว่าไม่ใช่เราจะไปรู้ทุกเพราะว่ากระพริบตาครั้งฟ้าแลบปั๊บมากกว่าแสนโกดใช่ไหมไม่ใช่รู้ทุกขณะอย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจขณะหมดไหมถ้าไม่เข้าใจยุ่งเลยทีถ้าไม่เข้าใจเราจะรู้กระ บ, บวนการเป็นไปของสัน ต, ติคณะยังไงและจะเข้าไปเจาะสมูหาคณะอย่างไร แล้วจะไปรู้รกิจจัคณะของนามมาทำรูปประทัอย่างนี้ไม่ได้อีกเห็นไหมต้องรู้จริงๆตอนนี้รู้แบบเข้าจำและฟังไว้เห็นไหมแต่งานวิจัยยังไม่หยุดแค่นี้นะไม่หยุดแค่นี้หรอกถ้าหยุดแค่นี้จ ะ, จะเจริญภับุญไหมหยุดไม่ได้แค่นี้หยุดไม่ได้เอารู้ทางแล้วไม่เดินทางเป็นความผิดของทางหรือเป็นความผิดของเราเนี่ยเป็นความผิดของเราแล้ว รู้ทางได้ตอนนี้พอรู้ทางแล้วพอแนวแนวได้แล้วเนี่ยเราอ้อรู้ไว้เอาไว้ชาติหน้าปฏิบตัติได้ไหมยอมแก่เดี๋ยวชาติหน้าค่อยว่ากันชาตินี้ไม่ไหวแล้วทีท่านพิทักินแล้วเกินได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแ ล, แล้วแล้วถ้ารู้อย่างงี้อย่างนี้จะห่วงคนอื่นอยู่ไ้ยเนี่ยห่วงใครดีใช่ตั้งกลัวว่าตัวเองจะจะหลุดจากทางสายนี้่ เพราะทางสายเอกเนี่ยมีสายเดียวใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งเราหลุดจากทางสายเอกแล้วทางสายนี้เบีดเสร็จเนี่ยเราเป็นผู้เสียหายเองนะเราเสียหายเองนั่นก็เดินให้ชัดเสถึงทีนี้ปัญจทวาราวชนะก็คือกิ จ, จระศาสตร์นั่นแหละพิจารณาอารมณ์เป็นต้นเลยนะประทัฐานก็คือสภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออารมณ์นีรูปรอารมณ์เป็นต้น ถ้าพิจารณารูปารมณ์สภาพที่รู้อารมณ์ที่เกิดก่อนจากคุณญาณ น, นี่คือลักษณะกิจจาลักษะของอวชนะก็คือสภาพที่พิจารณารูปารมณ์หรือสภาพที่ทิ้งผวังอารมณ์โดยให้วิถีจิตเกิดทิ้งเลยตัดเลยนะจริงๆตัวตัดจริงๆคือ ต, ตัวอวชนะเนี่ยตัดคือพิจารณารูปารมณ์ด้วยกิจของเขามีสองในอีกกิจหนึ่งก็คือทิ้งทิ้งอารมณ์เก่า ทิ้งกรมมะอารมณ์กรรมนิวิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นั่นแหละที่รวังรับมาทิ้งลักษณะนี้เขาเรียกว่ากิจกิจจรสของอาวัชนะหรือปัญจทวารอาวชนะอาการปรากฏก็คือสภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อรูปารมณ์ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วก็เหตุใกล้ของเขาคือรวังก็จิต ท, ที่ขาดและดับไประวังคู่ปเจธานั่ยแหละนั่นแหล ะ, หละคือเป็นประทัด ฐ, ฐานเขา ของอวชนะต้องรู้รวังด้วยจริงๆเนี่ยเพราะถ้าปัญจทวารอ ว, วชนะรู้แล้วรวังไม่รู้ยุ่งถ้าไม่รู้ประทัดฐานเราจะไม่รู้จักเลยว่าจะทําให้อวชนะเกิดยังไงจิตที่น้อมตัดระวังเนี่ยจะเป็นปจัจจัยที่อวชนะน้อมตัดระวังต่อไปจะไม่อยากใช้พยะพระวังเปืองเท่าไหร่หรอกจะน้อมตัดน้อมตัดใช่ไหม น้อมตัดพอแล้วรวังอย่าเกิดมากเลยเราต้องการจะรู้เรื่องจเจริญกุศลคือต้องการจะมาเน้นการทานกุศลศีลกุศลก็มาลากรวังเราซะยาวเลยเสียไหมเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอวชนะอวชนะจะเกิดได้ต้องมีปัจจัยไหมมีชวนะก่อนก่อนนู่นวิถีก่อนก่อนนูนนน่ น, นเป็นปัจจัยกับการที่จะทําให้อวชนะคือความที่ตั้งมั่นมุ่งมั่นการไข้ควรมาเ น, นั่ยแหละ นัเข้านัเข้าเนีเ่แหละมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นการใช้พวังไร้สาระก็เริ่มน้อยลงนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกอุปนิสยปัจจัยไงเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังไงประตูปนิสยปัจิจัยไงเห็นไหมพวังเนี่ยจะใช้มากก็ได้ใช้น้อยก็ได้ลองใส่ใจด้วยที่เ อ, เอาเอาสักแปดชั่วโมงมันก็ได้จริงจนะเดี๋ยวปลึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็นอนได้แปดชั่วโมงไม่แปดชั่วโมงไม่ลุกเนี่ย ใช้พอมเพื่อไปนะจะจะขึ้นก็ขึ้นสลึมสลื้อแล้วก็รีบน้อมลงน้อมลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวประวังก็ไหลลืน่นคล่องเลยใช่ั้มเขาเรียกพักผ่อน้องคิดดูนะวันละแปดชั่วโมงแต่การหลับนะคิดอย่างนี้นะถ้าสมมตินอนจริงๆนะวันละแปดชั่วโมงก็าการหลับแล้วทำกิจอยอื่นด้วยบวกเบสเ็จเนะี่ย คิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ได้เจริญกุศลนานขนาดไหนสมมติวถ้าชีวิตถ้าชีวิตของเราจะอยู่อีกห้าปีตายนะถ้าเรานอน8ปชั่วโมงใน ย, ยุ่งนะเราจะเหลือเหลือที่มาเจริญกุศลจริงๆเหลือไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ปีแร้วนบเป็นปียุ่งลองไปคูณดูนะเพื่พ อ, เอนเคยคิดมาทีลืมละมานั่งคำนวณตัวเองว่าถ้าจะนอนวันละ8ชั่วโมงเนี่ยจะเสียหายขนาดไหน แล้วก็จะต้องไหนจะต้องเอาไปเข้าห้องน้ําไหนจะต้องไปกินข้าวไปอะไรต่างๆเนี่ยนะรือไปทํากิจต่างๆเหล่านี้นไอ้ที่เหลือเดินกุศลจริงๆเนี่ยแต่จริงๆ่งงง็ถ้าเป็นพ้ามารยาหลังก็เดินเดินได้แต่ถ้าสมมติไปทิ้ ง, ไ ป, งไปทิ้งสักแปดชั่วโมงเลยเนะี่ยโอเสียเลยเสียเยอะเลยเสียเสียกุศลถ้าแปดชั่วโมงหนัก ไ, ไหมหนักไปนะให้เหลือสักเจ็ดได้ไหมนะขึ้นมาสักเจ็ดนะ ถ, ถ้าถ้าหักเจ็ดแล้วก็เอาสักหกอะไรเงี้ยนะฝึกไปเลยเด็วก็เคยเดยกก็เคยใครใครพักผ่อนใครชอบใช้ระวังถึงแปดชั่วโมงมั้งมีมหโอ้แต่ถ้าายุมากๆจะไม่ได้อายุมากๆเยทีก็มีปัญหานี่นะถ้าขึ้นระวังแล้วฟุ้งซ่านเ็าบอกให้ใช้ระวังไปก่อน เพราะแบบถ้าขึ้นมาแล้วฟุ้งอ่ะใช่ไหมบาปเกิดอ่ะบอกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมอันนี้ก็คือสภาพที่ประทั ฐ, ฐานก็คือะวังถ้าอาวชนะที่รับเสียงที่พิจารณาเสียงก็คือสภาพที่รู้สัทธารมที่เกิดก่อนโสตวิญญาณ น, นี่แหละกิจรสก็คือสภาพที่พิจารณาสัทธารมหรือทิ้งผวังอารมณ์ โดยให้วิธีจิตเกิดก็ทิ้งกรรมวมอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตมอารมณ์เขาระวังนั่นเองปัจจุประป ฐ, ฐานก็คือปรากฏเฉพาะหน้าแต่สัทธลมประธฐฐานก็ไม่ต่างกันเลยพวงกาัจจันทร์ที่ดับไปที่ขาดไปนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของอาวชนะทางโสตทวารวิถีตรงนี้ก็คือต้องการเดินเดินวิถีจิตตามตามตามทวารต่างๆเขาเรียกว่าในชั้นของป้าตถาจารย์ท่านจัดเป็นสองไงที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยจำยังจําได้ไหม กรรมมทวารกับอยายตนะทวารอยายตนะทวานนี่แหละเป็นเป้าหมายที่พระตถาคตอาจารย์ทั้งหลายท่านต้องการให้กําหนดตามทวารต่างๆนี้ที่จะเข้าไปสืบค้นดูสันตติคณะของจแกคุทวารวิถีเป็นต้นนีโสตตวารวิถีเป็นต้นเนี่ยที่ลงเชื่อมลงสุม่มมโนทวารวิถีปัจจุประฐานก็คือสภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อสัทธาลมถ้าประทัดฐานก็คือว่าผวังที่ขาดและผวังที่ดับไป นี่เป็นเหตุใกล้ของอาวชนะในโสตทวารวิถีถ้าอาวชนะที่รู้กลิ่นหรือรับกลิ่นเะนี่ยนะก็คือลักษณะคือสภาพที่รู้คันธารลมที่เกิดก่อนคานวิญญาณกิจจรสก็คือสภาพที่พิจารณาคันธารลมอีกในหนึ่งก็คือทิ้งทิ้งอารมณ์ของปวังหรือทิ้งปวังอารมณ์กว่าอย่างนี้เลยก็ได้เนะี่ยเขาทิ้งทิ้งปวังและทิ้งอารมณ์และ ทิ้งกรร ม, มอารมณ์กรร ม, มอารมณ์กรร ม, มนิมิตรและขจนิมิตนั่นเองปัจจุบัฐานก็คือสภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อคันธารลมปทัทธฐานก็คือผวังก็ดับแล้วก็ขาดไปถ้าอาวชนะที่รับรักษารมก็คือพิจารณาอะไรสภาพที่รู้ระสารมเกิดก่อนชิวหาวิญญาณวิถีกิจจรสก็คือสภาพที่พิจารณารสการม์อีกนายหนึ่งก็คือว่าทิ้ง ทิ้งกรรมมอารมณ์กรรมนิมิตรหรือคตินิมิตรนะเพื่อจะเข้าสู่วิถีจิตรประทัดประจูงฐานก็คือปรากฏเฉพาะหน้าต่อรูปอารมณ์แล้วก็ประทัดฐานก็คือผวังที่ขาดแล้วก็ผวังที่ดับไปเนี่ยนะอวชนะที่รับโผฏฐาพอารมณ์ก็ลักษณะกุณสภาพที่รู้โผฏฐาพอารมณ์เกิดก่อนอะไรเกินก่อนกายวิญญาณตต่นี้ต้องรู้นะ เนี่ยเขาเขาจะใค่ายควรอย่างเงี้ยอันนี้เกิดก่อนกายยวิญญาคือตัวสัญญาจําได้สติต้องนั่นแหละอาศัยสัญญานั่นแหละที่มั่นคงนั่นแหละเป็นประทัฐานแห่งการที่จะไปเจาะรู้อ๋อเนี่ยอาวชนะเหล่านี้มีผวังอาวชนะเหล่านี้ยนะมีสภาพทีละโผล่ทามลมที่เกิดก่อนกายยวิญญาณจิตจระศาก็คือสภาพที่พิจารณาโผล่ทามลมก็คือทิ้งทิ้งอารมณ์ของผวังอาการปรากฏก็คือ ปรากฏเฉพาะหน้าแต่พอดทารพาลมแล้วก็ะวางที่ขาดและดับไปนั่นแหละเป็นประทัดฐานนี่ก็คือการพิจารณาโพดสะพากับความถูกต้องก็คือพิจารณาดินไฟลมทีละอย่างนะตรงนี้ใช่ไหมมันต่างกันนะสภาพที่แข็งสภาพที่ เ, เย็นร้อนเนี่ยและสภาพที่ตึงไหวเนี่ยนะใช่ไหม วิถีต่างๆก็มีความต่างกันไปแต่สรุปก็คือว่าเกี่ยวข้องกับกายะทวารและวิถีทั้งนั้นอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอาวัชนะทางจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญ ญ, ญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณถามว่าจาเป็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะงนงี้คือเขาเรียกอายัตนะทวารจิตที่ปราศจากราคะ จักขูวิญญาณก็คือลักษณะสภาพที่อาศัยจักขูวัตถุใช่ไหมแล้วก็รับรับรู้ปารล์หรือรู้รู้ปารล์นั่นเองกิจจรัสาก็คือสภาพรับเพียงแค่รู้ปารลมเท่านั้นที่ต้ตองชัดนะกิจของเขาเนี่ยเขาจะรู้รู้ปารล์กระเถิบไปหาสัทธารลมได้ไหยเห็นไหมไม่ได้เลยรู้รู้รปารล์รู้ปัทวีได้เป่า ไปรู้ดินได้ไหมเอาจากคุณยานะรู้ดินด้วยปะรู้ดินรู้น้ํารู้ไฟรู้ลมได้ไหมรู้เพียงแค่รู้ปารมณ์เท่านั้นเนี่ยต้องรู้กิตเขาให้ชัดเย่างนี้หมอรู้แบบเนี้ยกิจจารสักของเ้าเนี่ยเขารู้เพียงแค่นั้นแหละรู้รู้ปารมณ์ทีนี้อย่างที่บอกว่าทิฏฐิทิฏิธรรมตังภวิสติอ่ะเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเนี่ยมันจะได้ชัดตรงนี้ไงว่า ที่บอกว่าเห็นน่ะเห็นน่ะจากคูวิญญาณทำทัศนะคือผู้เห็นรู้ปารมไอตัวที่ถูกเห็นคือตัวรู้ปารลมใช่ไหมไม่ใช่หญิงชายไม่ใช่สัตว์บุคคลใช่ไหมเราบอกว่าเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นภรรยาเห็นลูกอันนี้ไม่ใช่กิจของรู้ปารลมแล้วเออไม่ขอไปไม่ใช่กิตของจากคูวิญญาณแล้ว ไม่ใช่กิจของจักรคุณญาณนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องเห่งการณ์ที่จะต้องเข้าไปรู้เลยว่าจาักรคุวิญญาณรู้แล้วกระทาที่เกิดร่วมกับจักรคุวิญญาณเนี่ยเข้าไปไหมเวทนาก็สเสวยรสของรูปอารมณ์นั้นสัญญาก็จํำรูปารมณ์นั้นสังขารก็ปรุงแต่ง เ, เจตนาก็กระตุ้นเตือนมุ่งและนำสามปยุทธ์จะทำส่วนลมก็ว่าไปใช่ไหม อย่างเงี้ยมันเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะว่าเจตนาก็จัดแจงมณัตจารก็มุ่งนำทำยุทธรรมก็ว่าไปทำตัวจากคุญยาณก็เห็นรู้ไเลยสรุปก็คือเป็นกิจของนามขันคือวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันเนี่ยและตั้งอยู่บนจักขุวัตถุคือรูปขันนั่นแหละก็คือจักขุจักขุวัตถุก็อาศัยมหมาพูด ใช่เพราะจากขูวัตถุเนี่ยจากขูภาษาดก็เป็นอุปาทายรูปสรุปแล้วก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของอุปาทายรูปและมหาพูดจากขูวัตถุก็เป็นที่อาศัยของจากขูวิญญาณสรุปก็คือเป็นสภาพความเป็นไปของขันห้าใช่ไหมการเห็นเนี่ยจากขูวิญญาณก็เห็นรูปารมณ์เห็นเพียงรูปขันไม่สามารถไปเห็นเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันอย่างเงี้ย ก็เริ่มชัดแล้วในกิจยารักษาของจกักขูยญาณนี่เนี่ยปัจจุบันฐานก็คือสภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อรุปารมปรัจจุบันฐานก็คือการดับไปของกิริยามโนทัตนที่มีอารมณ์คือรูปเนี่ยได้แก่อวชนะก็คือปัญจทวารอวะชนะเนี่ยนี่เป็นปัจจันฐานของจกักขูยญาณเนี่ยรู้อย่างนี้นี่เขาเรียกรู้สภาวะลักษณะของจกักขูยญาณพอรู้สภาวะลักษณะอย่างนี้เบเสร็จ ก็เริ่มชัดเจนเกี่ยวนี้เรื่องการความบริสุทธิ์หมดจดของการเห็นด้วยและนักเข้าก็เริ่มววิจัยใช่ไหมยกเข้าสู่ปัจจัยไงเหตุผลนั่นเองนักเข้าก็จักขูวิญญาณไม่ใช่มีเหตุแค่ปัญจทวารเราชนะแล้วจักขูวัตถุ ก, ก็เป็นเหตุในฐานะปัจจัยใดๆก็เริ่มตามมาอีกเยอะเลยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นงานเห็นการเจาะเห็นการแทงทะลุทะลวงเพื่อจะเปิดโมหะออกทั้งนั้นแหละตรงเนี้ย พ่อโมห oh าปิดสภาวะลักษณะปิดบังสภาพความจริงของสภาวะลักษณะเขาไว้แล้วกับปิดบังความจริงสามัญลักษณะสมมุติยังไม่ได้เปิดตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะจะยกยังไงไม่มีมุมยกเลยไม่รู้จะยกยังไงบอกว่าถ้ายกก็คือว่าพ่อไม่เที่ยงแม่ไม่เที่ยงภรรยาไม่เที่ยงบุตรไม่เที่ยงยกมาทั้งชุดเลยไงเนี่ย ยกยไม่ได้มีการวิจัยไม่ได้ลักคายถ่ายถอนใดๆเลยอย่างนี้ไม่ได้มีการลักคายถ่ายถอนใดๆดเลยใช่ไหมที่สุดจริงๆก็ไม่ได้ละอะไรจริงอันนี้เขาเรียกหลอกตัวเองนะถ้าวิจัยแบบนี้หลอกตัวเองนะไม่ไม่ทะลุทะลวงจริงดูเหมือนเห็นดูเหมือนดีไปอย่างนั้นเลยใช่ไม่ใช่เพร <ด you. S 2> าะไม่ได้ผ่านจากการกระบวนการที่มีการวิจัยเป็นไปตามลําดับเหตุการลําดับเหตุการเทศซนาก็พลาดแล้วคือไม่ได้เรียนไปตามลําดับ เห็นคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงด้วยลำดับเห็นการเห็นการปฏิบัติไม่มีเลยจอมสวรรมองเห็นนะเนี่ยนี่อะไรอ๋อเขาอาศัยบ่อยนะทำยังไงวิธีนี้อ๋อที่ไปยืนเนี่ย แสดงว่านึกถึงพระเจ้าเป็นดินในลังกาเนี่ยถ้ายืนฟังเท่าไรนะสิบสองชันี่ถ้าใครยืนได้สักหชั่วโมงได้เจ๋อเลยเนะียืนฟังทำหกชั่วโมงยังไม่เคยเห็นเลยนะยืนแต่ยืนนี่เมื่อยกว่านั่งไม่กว่ายืนยืนฟังทำลองถ้าลองดูแล้วเปิดเทปลองยืนฟังดูโอ้โหแะ ยืนได้ประมาณชั่วโมงพอได้แต่เกินนั้นไปชักชักมีอาการต้องต้องเดินขยับสักชั่วโมงเนี่ยพอได้แต่ก็ต้องอาศัยสมาธิช่วยด้วยแต่ดีไม่ดีเอ้ยยืนนี่กลับดีกว่านั่งฮ <c> ะ <oughs> ดีกว่า <c oughs> โสต ว, วิญญาณก็คือจิตที่เกิดทางทางทวารเนี่ยจาโสตท ว, วาร น, นี่ น, นีลักษณะสภาพที่อาศัยโสต ว, วัตถุอันนี้รับสัทธารลมอาศัยโสต ว, วัตถุรับสัทธารลมอย่างเดียวเท่านั้นเสียงเนี่ยตัวสัทธารมเนี่ยเกิดสองสมุธฐานเสียงที่เกิดจากอุตุและเสียงที่เกิดจากจิตใครแล้วก็จิตตะชะ่ศัพท์คือเสียงที่เกิดจากจิตกับอุตุแช่ศัพท์ เสียงที่เกิดจากอุตุใช่ไหมเสียงที่เกิดจากอุตุก็คือนี่เสียงอะไรเนี่ยเสียงแอร์นี่เน่ยเสียงในกาแป๊กแป๊กป๊กนี่เกิดจากอะไรนี่ก็เกิดจากฐานที่ใส่ไปนั่นแหละอุตุใช่ไหมนั่นแหละนี่เกิดจากอุตุใช่ไหมนี่เรากำลังมองนี่เป็นเสียงว่าไงนั่นโสตวิญญาณเนี่ยรับเสียงที่เกิดจากจิตหรือเสียงที่เกิดจากอุตุ รับแดงสองอย่างเลยใช่ไหมสองอย่างรับเสียงอย่างเดียวไหมรับอย่างอื่นได้ไหมไม่รับกินนะไม่รับรูปนะกิจก็คือรับเพียงนั่นแหละแค่สัทธารมณ์เท่านั้นประยุทฐานก็สภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อสัทธารมณ์ประธานก็เนี่ยกิริยามโนท่าปัญจทวรารวชนะที่ดับไปนั่นแหละนะที่ดับไปนั่น คานาวิญญาณมาจากคาว่าคานะสันนิสิตะรูปะวิชานันลนักขณังคานาวิญญาณังลักษณะสภาพที่รับที่อาศัยคานะวัตถุกเกิดแล้วก็รับคันธารมรับกลิ่นไอตัวคานาวิญญาณเนี่ยรับกลิ่นตรงไหนกลิ่นภายในและกลิ่นภายนอก กินภายนอกนะภายในได้ไหมกินภายในได้ไหมในคานะทะศกัณฐ์ใช่ไหมในนั้นจะมีดินน้ําไปลมสีกลิ่นรสโอชาแปดรูปใช่ไหมไอตัวในคานะประสาทเองเนี่ยตัวคานะวิญญาณไปรับกลิ่นในคานะกราบนั้นได้ไหมคานะทะศกัณฐ์นั้นได้ไหม นี่ถามเป็นความรู้เลยได้ไม่ได้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นโอ้โหจะตามไมา่เยอะเลยว่าจากขูท่าสกราบใช่ไหมหรือจากขู่ท่าสักกราบที่เป็นที่อาศัยกับจักรคุยานจากคุ ญ, ญานไปอาศัยจากขูวัตถุนั้นแล้วรับรูปอารมณ์ในในนั้นได้ไหมเนี่ยต้องการให้รู้ตรงนี้เข้าใจยังตอนนี้นะ แน่ใช่ต้องต้องมีล้องอาศัยอโปเอออาศัยวาโยวาโยที่เคลื่อนเคลื่อนตัวนี่เลยที่เคลื่อนถ้กลิ่นมันวิ่งมาได้ไหมกลิ่นเกิดที่โน่นแล้วมันวิ่งมาถึงจมูกเราได้ไหมกลิ่นเกิดที่ไหนดับที่นั่นไม่ใช่มันกลิ่นเดิม มันวิ่งจัดตรงนั้นนะระยะสิบกิโลแล้ววิ่งมาชนจมูกเลยไม่ใช่เงั้นะคานาประสาทเลยไม่รูปเนี่ยต้องเข้าใจนะว่ารูปประทับไม่มีการย้ายตัวเองไม่มีการย้ายตัวเองแปลกไหมกลิ่นกลิ่นเกิดดับเกิดดับมาถึงมาถึงจมูกได้มาถึงคานาประสาทได้โอ้นี่เป็นเรื่องแปลกมากมีความมหัศจรรย์ที่ที่ ที่ในสภาวะธรรมเนี่ยนะเปความมหัศจรรย์มากๆเลยเพราะสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับเร็วมากนั้นที่จะลอยมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยกิจลัสษณะสภาพที่รับเพียงคันธารมปทัดปร ะ, ประยุติฐานก็คืออาการปรากฏเฉพาะหน้าคันธารลมประทัดฐานก็คือนั่นแหละอวชนะที่เป็นกิริยามโนท่าที่มีคันที่มีคันธารลมนั่นแหละพิจารณาคันธารมได้แก่อวชนะจิตที่ดับไป ชิวหาวิญญาณลักษณะสภาพที่อาศัยคณะวัตถุ เ, ออเาไปรับร่สารมอาศัยชิวหาวัตถุนะอาศัยชิวหาวัตถุมาจากคำว่าชิวหาสันนิศตสีตะรูปาวิชาณนาลนนักขณังชิวหาวิญญาณเนี่ยกิจรศารก็คือรับเพียงระสารมอาการปรากฏเฉพาะหน้าต่อราสารมประทัดฐานก็คือกิรยิยมโนทาต กายะวิญญาณสภาพที่อาศัยกายะวัตถุรับผดทะพารลมผดทะพารลมที่เย็นผดทะพารลมที่ร้อนผัดผดทะพารลมที่หย่อนตึงเนี่ยนะแข็งด้วยกิจระศาสกลับเพียงผดทะพารลมอาการปรากฏเฉพาะหน้าจะผดทะพารมประทัดฐานก็คือการดับไปของกิริยามโนธาตุคืออวัชนะเนี่ยเป็นไปตามลำดับอย่างนี้คือปราศจากราคะตรงเนี้ปราศจากราคะ สัมปติชนะสันติรณะสัมปติชนะก็สภาพที่รับรูปารมสัตรารมคันธารมร่าสารลมผดถภารมกิจจรสาก็รับรูปารลมเป็นต้นอาการปรากฏอาการที่สามารถรับรูปารมเป็นต้นและดับไปของจักรคุญญาตรงนี้นะก็ไล่ไปตามลําดับหมดเลยสัมปติชนะที่เป็นปัจจัยแก่โสตาว ที่เกิดต่อจากโสตะวิญญาณเกิดต่อจากคารนาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณที่นะเกิดต่อเป็นไปตามลําดับแล้วก็มาสันติรณะนะสันติรณ ะ, นะ ะ, ะนี่เป็นกลุ่มของอาเหตุกาเนี่ยนะก็คือมโนญานาธาทำหน้าที่ไต่สวนมีสองดวงนะเหมือนกับสมปริจชนะทั้งดีและไม่ดีเนี่ย ก็คือนั่นแหละมีสภาพเป็นการไต่สวนรูปอารมณ์ที่ดีและเฉยๆเนาะเป็นลักษณะคือสภาพที่รับอารมณนะ์ได้หกหรือห้าสติรนณะได้หกนะได้หกกิจรัสาก็คือไต่สวนอารมณ์อาการปรากฏก็คือไต่มีสภาพที่สามารถไต่สวนอารมณ์ได้ด้วยประทาฐานตัวนี้ท่านจัดเอาหัทยอถูกตัวหาทะเยอถูกเป็นที่อาศัย สันติรณะนี่นะมีทั้งโสมนัสอุเบขาอเหตุกะกุสนิบาศและอกุสนิบาศอเหตุกะกุสนิบาศสันติรณะก็ทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติในการมสุกติภูมิใช่ไหมส่วนอกุสนิบาศอุเบขาสันติรณะก็ทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติในใบยภูมิ4ในสันติรณะจิต3ดวงนั่น นอกจากทําหน้าที่สันติธรระแล้วบางครั้งก็ไปทําหน้าที่ตถารมมะอีกด้วยรับอารมณ์หกตามสมควรในเวลาที่ทําหน้าที่สันติธรระรับอารมณ์ห้ารับรูปารม์ไตสวนรูปารมสัทธารมคันธารมราสารมและโผทะพรมตามสมควรเนี่ยนะแต่ถ้าหากในหน้าขณะทําหน้าที่ตถาธรรมนะก็รับอารมณ์หกตามสมควรเนี่ยนะไม่สามารถ นะีกรณีอย่างเงี้ยเขาเป็นไปตามสมควรนะนี่เขาเรียกอหิยตุกะสันติระนะก็มีการพิจารณารูปลักษณะสภาพที่รับรูปารมณ์ไตสวนรูปารมอากาศสามารถไต่สวนรูปารมมีหัตยะถุกเป็นเหตุใกล้ก็สัทธารมคันธารมละสาลมโขทภารมหรือธรรมารมก็เป็นไปในสถานะที่เป็นตถาธรรมณะไปนะตถารมณะไปนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของ สันติระณะกริยามโนโยานาธาที่ประกอบกับความเฉยเฉยรับอารมณ์หแล้วก็กิจกรัสาก็คือตัดสินอารมณ์ทางทว า, ทารทั้งห้าปัจจุบันฐานก็คือสามารถตัดสินอารมณ์ทางทวารหพิจารณาอารมณ์ทางใจก็ประทัด ฐ, ฐานคือความดับไปของสันติระณะเนี่ยนะนี่เป็นตัวโวธดทะณ น, นะกริยามโนาธาตุนี่นะตรงนี้เป็นการดับไปของ ของของสันติอนะวัฏถะพณะต่างๆก็เกิดขึ้นถ้าในจักรุูทาวาลวิถีลักษณะก็คือสภาพที่รับก่อนใช่ไหมเขารับรู้อารมณ์ก่อนนะทกิดของกิจของวธฏนะะก็คือตัดสินรู้อารมณ์ว่าดีและไม่ดีเป็นต้นปัจจุบานสภาพที่สามารถตัดสินรูร้อารมณ์ ที่สันติรณะพิจารณามาแล้วนะั่นแหละประทาฐานก็คือความดับไปของสันติรณะสามดวงทางโสตัวารลวิถีคานาชิวหาจนถึงกายตะวารลวิถีในลักษณะอย่างนี้ส่วนพอถึงชาวนกุศลถึงชาวนาจะเป็นกุศลถ้าลักษณะของกุศลชาวนาก็ลักษณะสภาพที่ให้ผลดีไม่มีโทษถ้าเป็นกุศลชาวนานะ กิจระศาสกก็คือกำจัดอกุศลถ้ารวมรวมของชาวนานะถ้าเราดูจากรวมรวมของชาวนะจะเป็นอย่างนี้ประทัดฐานก็คือความสะอาดกายวาจาและความสะอาดของจิตใจนั่นเองประทัดฐานก็คือโยนิสมนัสการการใส่ใจอารมณ์ด้วยปัญญานั่ยเองสภาพที่ไม่มีโทษและตรงกันข้ามกับอกุศลตรงนี้ก็คือเนี่ยถ้าอากุศลก็เป็นสภาพที่ให้ผลแล้วก็มีโทษและให้ผลไม่ดีเกิดขึ้น ตรงนี้ท่านบอกว่าจิตที่ปราศจากราคะนะก็ไล่ไปตามดับดังเปล่าจิตมีโทสะโหถ้าลักษณะของโทสะก็ก็นี่เลยมีความดุร้ายเป็นลักษณะโทสะจิตเนี่ยนะดุร้ายเป็นลักษณะไปอมาัตไงที่ว่าว่ า, วาไปครั้งที่แล้วเหมือนอะไรลักษณะดุร้ายเนี่ย โทสะนี่มีความดูร้ายดูร้ายเหมือนแล้วก็มีการเผาสัมยุทธธรรมและเผาที่ตั้งเผาสัมยุธธรรมก็คือเผากิจ ร, รักษาของโทสะนี่นะเผาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายแล้วก็เผาที่ตั้งอัตยโถกุกิจ ร, รักษาของเขาก็คือเป็นเหมือนกับฟ้าผ่าที่บอกไว้อาการปรากฏก็คือปทุสลายเป็นอาการปรากฏประดุดดัง ไ, ไ, ไฟไหม้ป่ามันไฟไหม้ป่าประทัดฐานก็อาคารวตถุได้กล่าวไปแล้วเนี่ยอาคาทวตถุอันนั้นคือลักษณะของโทสะแล้วก็จิตปราศจากโทสะประการต่อไปก็คือจิตมีโมหะโมหะนี่มาจากคาว่ามันมีสองดวงเนี่ยโมหะเนี่ย จิต ท, ที่เป็นไปกับวิจิกิจฉากับจิต ท, ท, ท, ที่เป็นไปกับอุทะจรเนาะถ้าโมหมะมาจากคาว่าอายานะลักขณูมีความไม่รู้เป็นลักษณะไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะโมหะปิดอะไรคําว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเออไม่รู้สภาวะลักษณะกับไม่รู้ไม่รู้สามั ญ, ญลักษณะก็คือ ความมืดบอดหรือความบอดความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตสภาพที่จิตดวงตาคือปัญญานั้นบอดนี่คือโมหะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามีความไม่รู้ท่านใช้คำว่าโมโหจิตตัสสะอันทสพาวาล ะ, าะลัคโนอัญญาณะลัคนโนนะลักษณะของโมหะเนี่ยสภาพที่ไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริง มีกิจรัศาสาก็คือสภาพที่ปิดบังความจริงของอารมณ์ถ้าสัมปติรสก็คือความสมบูรณ์แล้วความไม่รู้นั้นเป็นความสมบูรณ์ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างสมบูรณ์แล้วอาการปรากฏก็คือว่าสามารถสภาพทำที่สามารถทำผลคือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นถ้าเราดูว่าผลปรากฏของโมหะเนี่ยดูจากการปฏิบัติ เช่นการการเคลื่อนมาทางกายเนี่ยที่ได้ทุจริตทุกครั้งอันนี้แปลว่าสภาพการปฏิบัติที่ไม่ดีเกิดแล้วเป็นผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วทางวจีกรรมก็สภาพที่วจีทุจริตออกมาแล้วมโนโกรรมก็คือมโนโทุจริตออกมาแล้วโลคเป็นมโนทุจริตไหมเป็นไม่เป็นนั่นแหละโมหะปิดโกรธนี่เป็นมโนทุจริตมนั่นแหละโมหะปิดหลงทั้งวิจิกิจฉา ทั้งอุทธะจัะโมหปิวณเ น, นี่ยในลักษณะเงี้ยฉะนั้นสภาพที่ปิดบังตัวเนี้ยในปิดบังความจริงอันเนี้ยเขาเรียกโมหะเขาเรียกว่ามีการในถ้าผลปรากฏดูที่การปฏิบัติสภาพทำที่สามารถทําผลคือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเลยฉะนั้นอย่าว่าแต่เป็นการปฏิบัติสมถาวิปัสสนาเลยโมหะนี่นะ แม้การปฏิบัติที่เป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี่นะเคลื่อนไหวไกายก็ผิดเนี่ยไม่น่าได้ใช่ไหมไกายทุจริตเนี่ยกายสุจริตเนหน่าจะได้จริงไม่จริงแต่ไม่ทําให้เราได้เลยทําให้การปฏิบัติทางกายไม่ดีเกิดขึ้นทําให้การปฏิบัติทางวาจาไม่ดีเกิดขึ้นทางให้การคิดในใจที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนี่เขาเรียกก็ได้อะไรได้ทุจริตสมนี่ปฏิบัติที่ไม่ดีไม่เหมาะสม เอาถามว่าถ้ากลุ่มโมหะแรงๆไปเดินวิปัสนาพลาดไหมพลาดใหญ่เลยก็ขนาดก็ขนาดในชั้นศีลผิดแล้วบางคนเนี่ยชั้นศีลผิดนะแต่ปรารถนาจะไปเดินชั้นสมถาวิปัสนาเอาสิยุ่งไหมนี่จะบอกวิธีว่าโมหะผิดในชั้นกุศลศีลไงชั้นจารีตศีลก็ผิดคือยังปฏิบัติไม่เป็นเลยเตนเองควรปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเนี่ย อันนี้ชั้นอบรมกายก็ผิดแล้วพโมหะปิดใช่ไหมแล้วพอชั้นของศีลศีลที่เป็นสุดตันตศีลเนี่ยของคารวะนี่นะอุบาสกบาสิกานี่นะอัตโมหะปิดจะเป็นยังไงทําให้เข้าใจศีลผิดแล้วก็ปิดถามว่าที่จริงกุศลแศีลต้องให้เกิดตลอดไหมโดยหลักการต้องเกิดตลอดไหม เขาจะทำยังไงเอะลองลองทำให้ดีทำให้ศีลเกิดตลอดทำยังไงดีเขาจะทำยังไงทำให้กุศลศีลเกิดทำยังไงดียอมสุวรรณทำให้กุศลศีลเกิดอยอมจี่ทำให้กุศลศีลเกิดตองลองเล่าให้ฟังหน่อยทำยังไงดีกุศลศีลคำว่ากุศลศีลเนี่ยเกิดที่กายวาจาหรือเกิดที่ใจก่อน ศีลตอนนี้ศีลเกิดที่ที่ใจใช่ไหมกุศลศีลเกิดที่ใจแล้วก็ไปจัดแจงกายกรรมวิจีกรร ม, มให้กระจัดกระจายไม่ใเกลื่อนกลนไม่ให้สันไปเพราะเพราะทุจริตกรรมทั้งหลายถ้ามองล้ามองถะลึงตามมองด้วยความโกรธตอนนั้นกุศลศีลไปไหนแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ย ก็การปฏิบัติชั้นศีลไม่ได้แล้วแล้วชั้นสมถาวิปัสนาจะมาอย่างไงดีอจะมาอย่างไงทีนี้ฐานฐานของกุศลศีลไม่แข็งแรงแล้วมองเห็นอย่างนี่เป็นแบบเนี้ยแต่ถามบอกว่าถ้าเราไม่ไม่รีบไปไข้ควรไม่ไปนั่นก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอู้ยลอยศีลเกิดก่อนก็ เ, เกิดก่อนไม่ใช่นะ แต่เขาไปไข้ควรเพื่อเดินกุศลศละศีลยังไงให้แข็งแรงยังไงนี่เป็นอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นความเป็นปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกต้องประทัดฐานก็คืออุปฐานะก็คือสภาพที่ทำให้ดวงตาคือยานปัญญาบอดสนิทประทัดฐานการใส่ใจผิดนะการใส่ใจอโยนิโสมนสสการนั่นเองเป็นเหตุการณ์็นเ นี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะของโมหะโมหะมีอโยนิโสมมณสิการเป็นเป็นเหตุใกล้อาการปรากฏก็มืดมนนะ่ะไอ้มืดมนในที่นั้นก็คือเป็นชื่อของสภาพที่ทําให้ดวงตาคือปัญญาบอดสนิทดวงตากำลัง ม, มืดเลยไหมบอดสนิทไหมบอดสนิทเลยนี่ดวงตาคือปัญญานะบอดสนิทเลยนี่เป็นอย่างนี้ ประทัศฐานก็คือถ้าจะทำให้โมหะเกิดบ่อยๆก็ใส่ใจใผิดๆเขาไว้ใช่ไหมตั้งอโยนิโสมนสสการเยอะๆก็ก็ได้เลยเอา้าวมีใครจะถามอะไรไหมตรงนี้เหลือเวลาน้อยแลย้วมีไหมนี่โมหะไม่มีเลยนี่ลักษณะจิตมีโมหะ ตรงนี้ก็ไปพิจารณาจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูด้วยถีนมิธานี่ยนะจิตพุ่งสร้างในอุทะจักจิตเป็นมาคาตาจิตไม่เป็นมาคาตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตหลุดพ้นจิตจิตตั้งมั่นจิตไม่ติดไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นแล้วก็มาจากคุณญานที่ว่าไว้สักครู่อ่ะอันนี้รู้ทั้งรักขณะจิตุกะทั้งหมดนะก่อนจะยกขึ้นสู่ตรายักนะเนี่ย ตรงนี้จากขูยิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยัญญาณยี่สิบเอ็ดประเภทตัวนี้ยก็พิจารณาแล้วก็มโนญาญนี่หลักปฏิบัติเลยเนี่ยอันนี้ตรงเนี้จากขูยิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยัญญาณและมโนญาณให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยแต่อย่างเราก็ต้องรู้สภาวะลักษณะของจิตเป็นต้นไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะนี่นเป็นอย่างนี้ แล้วก็มโนยานีข้อนี้ข้างล่างมองลงไปแล่ไปหนึ่งจิตมีราคะสองจิตปราศ จ, จากราคะามจิตมีโทสะสี่จิตปราศ จ, จากราคะไล่ลไปไปตามลำดับจนถึงว่ายี่สิบชิวหาวิญญาณยี่สิบเอ็ดกายะวิญญาณยี่สิบสองมโนวิญญาณพอดีเลยจิตยี่สิบสองโอ้โหพิจารณาขนาดนี้ก็เอาที่เกิดกับเราได้ก่อนนะี ที่ไม่เกิดกับเราลองดูที่ยี่สิบสองนี่เกิดกับเราได้เท่าไหร่อัเนี้ยจิตจิตมีราคะนี่เกิดกับเราได้ไหมจิตปราศจากราคาก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้นะจิตมีโทสะได้ไหมจิตมีโมหะจิตโหทูจิตฟุ้งส่านจิตไม่เป็นมากตะจิตมีจิตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าได้ไหม แล้วจิตตั้งมั่นได้ อ, อยังอุปจาระและอัปปนาได้ออยังยังไม่ได้อีกเอาจิตหลุดพ้นแต่ทางข้าประหารกับวิขับปนะยังไม่ได้อีกเยอะทำไมน้อยยังเอาจากักขุญญานเกิดได้ยังโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมนโนวิญญาณนะไอ้พวกเราจิตเกิดน้อยกันนะนะม า, ากระตาาไม่ได้นะม า, ากระต่ามไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็นั่นแหละก็ใข้ควรอย่างนี้ ตรงนี้ก็นั่นแหละนะการพิจารณาในชัชนของคาสอนของพระศาสดาก็ตรงนี้ก็คือว่าในทางด้านของการกำหนดจิตตานุปัสนาสติปทานเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาวิจัยกันต่อตรงนี้ก็ฝากให้ใครควรก็คือว่าในเรื่องของพูดถึงสิ่งที่น่าคิดเมื่อสักครู่นี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของโมหานี่แหละนะสภาพของโมหานี่แหละ ว่าปิดบังทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ว่าการปฏิบัติเราไม่ได้ประการปฏิบัติดีเท่าที่ควรท่านทึงบอก่ากายทุจริญวัชิยัุเจริญแล้วมโนทุจริญไม่น่าได้เลยไม่น่าจะไหลเข้ามาสู่กระแสชีวิตของเราเลยวันวันหนึ่งแต่เราก็ได้อยู่เลยแล้วเราเล่าเหตุที่เราจะต้องเราไม่รู้ทันนี่นะ ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันปล่อยให้ทุจริตตัวนี้ไหลเข้ามาในใจเราได้เพราะตัวโมหานี่แหลพะพอเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะได้เห็นทอดของโมหนะนนี่สมควรแก่เวรร้ายเงี้ยจะสวดมนต์นึ่งอาจจะเลินเดี๋ยวเราพิจารณาท่า ร, รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมา น, นึกถึงที่ท่านพิจารณาบา ร, รมีไง หลังจากที่ท่านบอกว่าท่านพิจารณาถึงพระโพธิสัตว์นี่นะในนิทานกถาที่ท่านไปพิจารณาว่าบุรุษติดอยู่ในเรือนจามีความทุกข์สิ้นกาลนานเขาปราศจากความยินดีในเรือนจาก็แสวงหา ก, การพ้นไปจากเรือนจำแม้ชั้นใดเธอก็เหมือนกันเป็นต้นเหล่านี้คือท่านไปพิจารณาถึง การเลือกเฟ้นสภาวธรรมทั้งหลายตั้งพอท่านได้รับพยากรณ์ไงท่านได้รับพยากรณ์ว่าท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยท่านก็เริ่มมาพิจารณาบา ร, รมีบา ร, รมีธรรมต่างๆมีทานบา ร, รมีศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นเหล่าเนี้ยเหตุผลก็คือว่ามาไข้ควบรบารมีธรรมนั้นเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์เลยเนี่ยธรรมดาของพระโพธิสัตว์ เวลาท่านพิจารณาต่างๆเนี่ยเขาเรียกโพธิสัตว์จะมีอยู่สองความหมายมาจากคำว่าผู้ยึดมั่นในโพธิญาณแล้วก็ผู้ที่จักตัทรู้ตรงนี้ก็คือว่าท่านมาพิจารณาดูที่บอกว่าเรานั่งคู่บลาลังในการนั้นดำหลีว่าเราเป็นผู้ชำนาญในฌานมลุความยอดเยี่ยมแห่งปัญญา นือสีทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุไม่เสมอกับเราเราไม่มีใครเสมอในฤทธิ์ในอภินยาหได้รับความสุขเช่นนี้ทั้งกับพิจารณาแล้วเมื่อกำลังพิจารณาอยู่นั้นน่ะพวกบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายก็เปล่งเสียงว่าท่านจากเป็นพุทธเจ้าแน่นิมิตเหล่าใดย่อมปรากฏในการนั่งคู่บัลลังก์อันประเสริฐของพระโพธิสั ท, ทั้งหลายในปางก่อนนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏ เกิดอยู่ในวันนี้เป็นนิมิตว่าท่านจากเป็นพระเจ้าเป็นแน่เป็นต้นท่านก็ยึดมั่นในโพธิญาณแล้วก็บุคคลที่จะกตัดสรุปอันนี้เขาเรียกเป็นนิยตะโพธิสัตว์ตรงนี้ท่านหลังจากได้รับพยากรณแล้วเนี่ยความเข้มข้นของบา ร, รมียิ่งยิ่งค่อนข้างแข็งแรงขึ้นแต่ก่อนก็บำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างชนิดที่ว่าลำบากใช่ไหมที่พระาศาสดาตรัสบอกว่า เราบอกว่าพวกเธอจงดูชดินดาบทเนี่ยผู้มีตบากกล้ารุ่งเรืองในกลับอนับไม่ท้วนจะ ก, กลับนี้ไปเธอจะเป็นพทธเจ้าในโลกเนี่ยตรงนี้พระาศาสดาพยากรตอนนั้นท่านบอกว่ากิงเมอัญยาตะเวเสนดํมมังสัชิกะเตนิทะสัพพัญยตังปาปุณิตวาพุทโธเหตสังสเทวเก บอกว่าการรู้แจ้งทำได้เพศที่บุคคลไม่รู้จักจะมีประโยชน์อะไรเรามารู้สัพพัญญุตยานแล้วจกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกตรงเนี้ยตอนนั้นถ้าท่านฟังคาถาใช่ไหมเมื่อเรานอนอยู่ที่บนพื้นดินได้มีความคิดว่าถ้าหากเราปรารถนาอยู่จกทำลายกิเลสได้ในวันนี้แสดงว่าปัญญาไม่ธรรมดาเนะตรงนี้เนี่ยที่ใช้คาว่า ส่วนเราสยายผมออกแล้วเปื้องผ้ากองและหนังสัตว์ไว้บนเปลือกตมแล้วก็นอนคว่าลงแล้วเราก็ดำหลี่ว่าขอพระพุทธเจ้าจงทรงเหยียบเราสเสด็จไปพร้อมกับเหล่าสาวกสี่แสนลูกอย่าได้เหยียบโคนตมเลยการสเสด็จไปอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา ตรงนี้ใช้คำว่ากาเสมุนจิตวาหังตัถาวากคจิรัญจาจัมะกังกาลเลปัทเริตวานาอาวากุโฌนิปัชหังอากรมิตาวานะมังบุทโตสห เ, เสสีขัตฉตุ มานังกาละเละอากามิทธาหิตายาเมภวิสติส่วนเราสยายผมออกแล้วเปื้อนผ้าคากองและหนังสัตว์ไว้บนเปลือกตมนั้นแล้วก็นอนคว่ำลงแล้วเราก็ดำหลี่ว่าท่านเล่าท่านเล่าบารมีขึ้นท่านตอนที่ท่านสร้างครั้งแรกที่ได้รับพยากรณ์ขอพระบรมศาสดาจงเหยียบเสด็จไปบน หลังของเราพร้อมด้วยเหล่าสาวกอย่าได้เปื้อนคนตมอย่าได้เหยียบคนตมแม้แต่น้อยเลยการเสด็จไปอย่างนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปาทวียังนิปานส า, นาเอวังเมอาสิเจตโซอิชมาโนอาหังอัชากิเลเสคาติยามหัง เมื่อเรานอนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้รับความคิดได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าถ้าหากเราปรารถนาอยู่ก็จะทำลายกิเลสในวันนี้ได้ท่านก็บอกว่ากิงเมอัญญาตเวเสนาดัมมังสาชิกะเตนิทาสัพพัญยตังปาปุณิตวาพุทโธเฮสังสะเทวะเก การรู้แจ้งธรรมในเพศที่บุคคลไม่รู้จักหรือบุคคลอื่นไม่รู้จักจะมีประโยชน์อะไรแก่เราเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกการที่เราผู้เป็นบุรุษแสดงความสามารถข้ามพ้นไปคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจักยังมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นไปด้วย แล้วท่านก็ตั้งอัธยาศาัยเลยบอกว่าอิมินาเมเฮอธิกาเรนากเตนปุริรสัตตเมสัพพัญยตังปาปุนิตาวาตาเรเมตา ร, เ ม, ตารเมชนาตังพหุงเราบรรลุสัพพัญยตญาณแล้วจักยังมหาชนให้ข้ามตามด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ที่เรากระทำในวันนี้ ในมหาบุรุษนี้เราตัดกระแสสงสารแล้วทำลายภพทั้งสามขึ้นสู่ธรรมนาวาแล้วจากยังมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นไปด้วยทีปังกโลโลกวิดูอาหุตินังปติคหาโอเสสะเกมังทตวานา อีทังวจนาพระปัวปริบอกว่าพระบรมศาสดาทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกควรรับทักษิณาประทับบนศีรษะเราแล้วก็ตรัสคำดังต่อไปนี้ปัสทธาอิมังตาปัสสังชาติลังออคาตาปนังอปริเมยเยอโตกะเป พุทโธเกพวิสตีบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงดูดาบทชดินผู้มีชดามีตบะรุ่งเรืองแก่ก้านี้ในกลับอันนับหาประมาณไม่ถ้วนจากกลับนี้ไปเธอจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แจ้งในโลกพร้อมทั้งเทวโลก เธอจักเป็นพระตถาคตเสด็จออกจากนครกรบิลพัทอันหน่ารื่นลมจักทรงตั้งความเพียรบรรพิ น, นุกุลเกลียจักประทับนั่งที่โคนไม้อชปาปรานิโคตรรับข้าวมาทูปายาทในที่นั้นแล้วจักเป็นจักไปยังแม่น้ำเนรัญชลาพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยข้าวปลายาทที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแล้วจักเสด็จโคนต้นโพโดยทางอันงามเลิ่ที่เทวดาประดับไว้ ต่อจากนั้นก็กระทาประทักษิณในโพธิพึกแล้วจักตัดสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมทรงพระเกียรติยศอันใหญ่หลวงณควงโพธิพึกนั้นตอนนี้ภาษา ส, ะสดาตัดสรู้จริงๆแล้วด้วยใช่ไหมเราได้ศึกษาสติปัฏฐานสมบัติฐานอิทิบาทอินทรีพระโพงอริยมรรคแล้วเนี่ยเพราะบารมีทั้งหลายที่พระองค์หลังจากได้ รัพยากรว่าองค์พิจารณาบารมีนั่นเราสาธยายบารมีและลึกถึงคุณของพระศาสดา